พระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนโคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณเพราะฉะนั้นอากว่าบุคคลใดมีวิญญาณชั่วจะพูดหรือทาอะไรก็ตามความทุกข์ก็จะติดตามเข้าไปเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโค ท, ที่ลากเกวียนแต่ถ้าหากมีวิญญาณผ่องใสบริสุทธ